เอาต่อไปเนี่ยก็ศึกษาในเรื่องของประโยชน์ประโยชน์ของการเจริญพรหมวิหารคุณธรรมกล่าวคือพรหมวิหารที่เป็นธรรมเครื่องประพฤติอันประเสริฐธรรมะประจําใจอันประเสริฐธรรมที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่อกํากับพฤติกรรมจะได้เป็นที่ชื่อชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามมีความสําคัญนะ มากควรนำไปประพฤติธปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดความสงบและเกิดความสุขในด้านของจิตใจด้านพฤติกรรมนะได้โดยเฉพาะก็คือพัฒนาปรปสู่ปัญญาได้อย่างแท้จริงการที่กล่าวว่าเมตตารวมถึงผมวิหารอื่นๆด้วยเนี่ยเป็นธรรมของผู้ใหญ่เนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยความเดิมเป็นธรรมของผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้รเริฐคาว่าใหญ่นี้ ก็คือผู้มีจิตใจที่กว้างขวางยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมนั้นเมตตาก็ดีกรุณาเมตตาและเวกขาก็ดีเนี่ยก็หมายความว่าทําให้เราเข้าถึงคุณธรรมมันประเสริฐพอเข้าถึงคุณธรรมมันประเสริฐก็เลยไปจะเป็นคุณธรรมที่ดีงามไม่ใช่หมายถึงผู้ใหญ่ในความหมายอย่างที่เราเข้าใจกันนี่ความหมายหนึ่งเรื่องของพระวิหารทั้ง4เมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเนี่ยมีความสําคัญมาก สำหรับในการที่จะอยู่ในสังคมเดียวกันเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่พึงกระทํำต่อผู้อื่นพระวิหารพระรัชจ้าตรัสไว้เป็นชุดเพราะมีหน้าที่ที่เอื้อต่อกันและกันก็จะเป็นอัญญามัญญะแล้วส่งสืบท่อต่ อ, ตอกันยังไงทีนี้เมตตาและอุเบกขาจัดเป็นโสภณะเจตสิกคือเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตฝ่ายที่ดีงามทุกดวง ส่วนกรุณาและมุ้ทีตาเรียกรวมว่าเป็นอัปมัญญาเจตสิกจัดว่าเป็นปกิณกะเจตสิกอยู่ในชุดของโสภณะเจตสิกเหมือนกันเจตสิกที่เกิดในฝ่ายดีแต่ไม่เสมอไปทุกดวงนั้นหลักธรรมมันเป็นจริยศาสตร์ทางสังคมพุทธศาสนาในข้อนี้มีผลดีอย่างมากต่อผู้คนในสังคมเนี่ยทางนี้พระเจ้าได้ทรงสอนวางหลักอันเหมาะสมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันในสังคมเนี่ย โดยพระองค์ก็ทรงสอนให้บุคคลแต่ละคนที่มีความมีการดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทุกระดับชั้นเนี่ยให้มีความปรารถนาดีต่อกันเพื่อจะได้ช่วยผู้อื่นได้รับความสุขช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยกว่าตนในด้านต่างๆมีสถานะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมยังไงก็ว่าไปเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ความทุกข์ยากความลําบากและก็ให้แสดงความพอ ย, ยินดีต่อกันในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งประสบความสําเร็จ ทั้งๆบุคคลนั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็แล้วแต่เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีดีงามต่อกันและส่งผลให้เกิดความรากักความสามาัคคีกลมเกลียวกันยิ่งๆขึ้นไปต่อไปคือให้มีความเคารพในหลักการอุเบกขาเนี่ยเคารพในหลักการกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมจริรีตประเพณีดีงามด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยเหตุผลเพื่อความสงบสุขเพื่อความเรียบร้อยดีงาม และก็เพื่อความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันของคนในสังคมนั้นๆั้นฉะนั้นหลักของพระวิหารเราจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นอัญญาบัญญะคือเชื่อมโยงกันอย่างดีที่จะเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนในการจะเป็นตัวเชื่อมประสานทําให้สภาพสังคมเนี่ยเชื่อมกันได้อยู่กันได้โดยมีความสุขนั้นบุคคลที่บําเพ็ญพรมวิหารเนี่ยย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความปรารถนาดีความหวังดีอย่าส่วนเดียวหาได้หวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นไม่ อันนี้เป็นการต้องการจะเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นจริงๆผลที่ผู้ให้ได้รับเพียงแต่คุณค่าทางจิตใจเนี่ยก็คือสามารถทำให้รู้สึกเ อ, อิบออมทรรู้สึกสุขใจภูมิใจมีแต่ความหวังดีต่อผู้คนในสังคมปรารถนาช่วยเหลือเขาพ้นทุกข์หลักพระวิหารนี้เป็นมูลเหตุให้มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ในรูปต่างๆฉะนั้นการก่อตั้งทุน เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์ในรูปต่างๆมีการตั้งมูลนิธิช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการกุศลอื่นๆมากมายล้วนแต่มาจากอะไรมาจากสภาพของจิตใจที่มีการบำเพ็ญพรหมวิหารกองมนุษย์ทั้งสิน้นมีพระเถระท่านกล่าวบอกว่าผลของการบำเพ็ญพรหมวิหารธรรมของมนุษยาชาติเนี่ยเห็นได้ในองค์กรการกุศลต่างๆ ฉะนั้นยิ่งมีองค์กรการกุศลผุดเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ก็จะเห็นชัดถึงตัวเมตตากรุณามุ่ิทตาที่อยู่ในใจของมนุษยชาติดังนั้นเช่นบางทีท่านก็ยกมูลนิธิที่ตั้งขึ้นในด้านช่วยในด้านศาสนาการศึกษาการสาธารณสุขเนี่ยเนี่ยมีเยอะหมดนะทั้งในไทยและในต่างประเทศพระพุทธเจ้าก็สอนพลวิหารเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติในการที่จะอยู่ร่วมกันน ดังนั้นพรหมวิหารเนี่ยส่งผลดีในทางด้านการปกครองด้านการบังคับบัญชาตั้งแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลเหล่านี้เมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากผู้บังคับบัญชาก็มีความรู้สึกอบอุ่นอย่างนี้เป็นต้นแม้ทางด้านของครอบครัวทั้งหลายเหล่านี้ตัวพรหมวิหารธรรมเนี่ยจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากดังได้กล่าวนีรายละเอียดก็ไปเจาะไปพิจารณากันดู พระวิหารเป็นคุณธรรมระดับพื้นฐานอันสำคัญที่สามารถนรํไปยกใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจำวันได้นอกจากนั้นก็ยังเป็นคุณธรรมสำหรับการพัฒนาจิตให้มีคุณธรรมในระดับสูงยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปดังนั้นพระวิหารจึงเป็นหลักคำสอนในพุทธศาสนาที่มีคุณค่ามากอาคุณค่าและประโยชน์ของเมตตาทีนี้เมตตาเนี่ยความรักความปรารถนาดีความหวัง ดีต้องต้องการผู้อื่นมีความสุขเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านต่างๆอันนี้เป็นความหวังเพื่อประโยชน์สุขนะหวังความสําเร็จของบุคคลอื่นตัางที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือว่าด้วยความที่มีความรักความปรารถนาดีให้ตนเองอย่างถูกต้องนี่แหละที่สุดจริงๆก็เลยผลิตผลออกมาในการที่จะยังบุคคลอื่นนั้นให้ได้ความสุขความเจริญเป็นต้นด้วยฉะนั้นความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ เมตตานี้จึงเป็นธรรมที่เมื่อยังไม่เกิดก็ควรทําให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็ควรเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทีนี้ถ้าความรักของเขาไม่ได้เกิดจากเมตตาแต่ถ้าเกิดจากตัณหาเนี่ยไอตัวตัณหามันกลายเป็นหวังผลตอบแทนต้องการในเขารักตอบต้องการให้เขาทําดีต่อตนโดยที่สุดแม้ให้เขาได้เห็นความดีของตนเองเนี่ยถ้าเขาไม่เห็นความดีตนเองอย่างนี้เป็นต้นก็เกิดความเสียใจและเดือดร้อนตัณหาก็จะเป็นแบบนั้น แต่ถ้าเมตตาเนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเมตตาเป็นความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมที่เป็นไปกับเมตตาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเมตตาเป็นคุณธรรมที่ควรเข้าถึงเพราะว่าเห็นว่ามีความรักความปรารถนาดีกับตนเองเพราะว่าเมื่อตอนเองมีเมตตาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทาลายโทสะคือความเครียดแค้นชิงชังในใจตัวเองออกได้ สภาพใจของตนเองก็เป็นมีคุณธรรมที่เปี่ยมล้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายทางวาจานั้นก็เป็นไปกายกรรมที่เป็นไปกับเมตตาวจีกรรมคําพูดก็เป็นไปกับเมตตามุญกรรมกระบวนการความคิดทั้งหมดเมตตาก็จะมีกําลังในการคิดนั้นๆั้นฉะนั้นความไม่มีเวรภัยทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นกําจัดความพยาบาทเป็นต้นได้ และความคิดในการที่จะดาเนินชีวิตของตนเองนั้นเป็นไปตามกระแสแห่งศีลสมาธิปัญญาก็จะดาเนินไปได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็บ่งบอกให้เห็นว่าเมตตาเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ทำให้ตนเองนั้นเข้าถึงความสงบและเมื่อตนเองเข้าถึงความสงบความสุขเป็นต้นแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลความเจริญให้กับบุคคลอื่นอย่างมากมาย ทีนี้เมตตาเนี่ยแม้เจริญเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็มีผลมากมีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดให้ทานร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเช้าร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงร้อยหม้อใหญ่ในเวลาเย็นส่วนผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าโดยที่สุดชั่วการหยดน้นํานมแห่งแม่โคหรือผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงโดยที่สุดแม้การหยดน้นํานมแห่งแม่โค หรือผู้ใดเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นแม้โดยที่สุดแห่งการหยดน้ำนมแห่งแม่แม่โคการที่เจริญเมตตานี้ชั่วระยะการเพียงเท่านี้เพียงชั่วที่อยู่คนรีดนมโคนั้นยังมีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้วในวันหนึ่งยิ่งใหญ่ไหมให้ทานเช้าร้อยหม้อตอนเที่ยงร้อยหม้อตอนเย็นร้อยหม้อแต่ให้ทานเป็นชั่วเพียงว่ารีดน้านมวัวครั้งเดียว ตอนเช้าก็รีดหนึ่งครั้งตอนเย็นก็รีดเพยเพยตอนเที่ยงรีดหนึ่งครั้งตอนเย็นก็รีด1ครั้งอันนี้ส่งมากวะงั้นถ้าสมมุติเราทําให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมมีประโยชน์แก่ผู้เจริญอย่างมากมายจิตของเขาก็มีลักษณะสดชื่นป่องใสเอิบอิ่มเต็มไปด้วยความสุขในลักษณะต่างๆยิ่งๆขึ้นไปที่สุดก็คือเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาอย่างแท้จริงฉะนั้นตอนนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยยังไม่สามารถทําจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาได้ทุกเม ทุกอั น, นทุกขณะไดาแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากว่าทำอย่างไรหนอที่เราจะสามารถเจริญให้เกิดขึ้นได้จริงใช่ไหมเพราะเราเนี่ย<ม>เราคิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วกระบวนการความคิดของเราท่านทั้งหลายแต่ความคิดของเราเนี่ยมันแห้งแรงมากเหตุผลก็เพราะว่ามันไปแต่ความคิดแต่เมตตาไม่เป็นไม่ไปด้วยหน้าที่ของพวกเราเราไม่ต้องไปทาอย่างอื่นเลยฝึกให้เมตตาเข้ามาประกอบกับจิต เวลาความคิดไปที่ไหนให้เมตตาไปด้วยแค่นียจบแล้วจิตของเรามีแค่นั้นแหละครับเพียงตั้งโยนิโสมนัิการให้เกิดขึ้นโดยการพิจารณามองสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทําเมตตาจิตทําความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอรให้เกิดขึ้นมองเห็นภาวะของสัตว์ทั้งหลายน่าชื่นตาชื่นใจให้เกิดขึ้นเห็นจุดเด่นของสัตว์ทั้งหลายได้ง่ายเนี่ยปรารถนาดีกับสัตว์ทั้งหลายได้ง่ายเนี่ยเพียงทําภาวะจิตให้เกิดขึ้นโดยมีเมตตาเกิดขึ้น เวลาจิตมันคิดเรื่องอะไรให้เมตตาไปด้วยแค่นี้นาทีของเราเพียงแค่นี้ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมยากไหมเพราะปกติจิตมันคิดอยู่ไหมมันคิดอยู่แล้วจิตเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาไหมคิดติดอดเวลาไม่มีเวลาหยุดคิดเลยแต่เราทำอย่างไรที่ให้เมตตาไปกับความคิดด้วย ถ้าคิดเรื่องอะไรถ้าเมตตาไม่ไปก็ดึงกลับมาเอาเมตตาใส่ไปคิดไปใหม่ <c ười> แค่นี้ง่ายไหมก <c ười> ็นี่แล้วคิดถึงเน้นบอมคิดเฉยๆได้ไหมคิดไปปุ๊บมันไม่ไปก็ย้อนกลับมาเอาเมตตากระโดดเข้าไปนั่งแทนในใจแล้วก็คิดไปใหม่อขอให้มีความสุขปราศจากความทุกข์ให้มีใจเบิกบานให้มีอายุยืน ให้สมปราถนาให้พ้นทุกข์โดยเร็วโดวยสะดวกเนี่อันก็ไปได้ไหมก็ไปได้อ่านี้คือเมตตาอัปการณต่อไปคือกรุณาความสงสารคิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันนี้เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ประกอบด้วยความปรารถนาดีอันนี้เป็นความคิดที่อยากจะช่วยผู้อื่นที่ประสบความเดือดร้อนเนี่ยความยากเห็นความลำบากต่างๆให้พ้นไปจากความเดือดร้อนโดยไม่ได้วางผลตอบแทนนะแต่จริงๆแล้วต้องการ ทำใจทังตนเองให้เข้าถึงกรุณาที่แท้จริงไอ้กรุณาเนี่ยเราจึงบอกว่ามองเห็นกรุณาในตนแล้วก็ฝึกฝนพัฒนากรุณาให้เกิดขึ้นเมื่อกรุณาเต็มเปี่ยมในห้องใจแล้วกเกิดความหวั่นไหวเมื่อเห็นคนอื่นประสบความทุกข์แล้วก็ขนขวายทางกายทางวาจาทางพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการที่จะบำบัดทุกข์ให้เขาได้เข้าถึงความสุขเอออย่างนี้นะในขณะที่ทําได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ตนเองทําเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถตามความรู้ตามความเข้าใจ แต่เห็นพัฒนาการของกรุณาที่เกิดขึ้นในตนเนจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้ น, นเออนี่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จแล้วนี่กรุณาเกิดขึ้นมีคุณค่าทางด้านจิตใจนั้นผู้ที่มีใจกรุณาเกิดขึ้นรู้สึกอิ่มเอิบว่าต น, นมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ใดยากและก็บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสังคมเพื่อประสบความสุขฉะนั้นในหลักของจริยธรรมในพุทธศาสนากรุณานี้เป็นการก่อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีจิตประกอบไปด้วยอํานาจหรือฝ่ายดีเนี่ย เป็นผลในทางบวกแก่สังคมเช่นเดียวกับหลักจริยศาสตร์สังคมเรื่องเมตตาเนะี่ยพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนบุคคลในสังคมไม่มีกรุณาต่อกันและกันพระเจ้าสอนให้บุคคลแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดสังคมต่างๆประสบความเพี่ยงพล้ำในชีวิตของตนเองนะเขาบอกกรุณาเนี่ยเป็นความสงสาร เมื่อเห็นคนอื่นหรือสัตว์ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนก็มีความรู้สึ ก, กวันไหวไปกับความทุกข์และความเดือดร้อนของคนอื่นจนไม่อาจที่จะนิ่งเฉยอยู่ได้เวลาเกิดอุทกภัยวาตภัยอัคขีภัยหรือเกิดพญานันตรายทั้งหลายขึ้นมาก็ค้นควายช่วยเหลือส่งผ้าบางอาหารบางน้ำบางให้คนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยลักษณะอย่างนี้คือเป็นกรุณณาเพื่อให้เขากลับ สู่ภาวะปกติประกอบอาชีพการงานทั้งหลายเป็นต้นได้คนอื่นก็ตกต่ำเดือดร้อนเขากำลังสุดต่ำไปจากสถานะเดิมก็มีความคิดอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์และแก้ไขปัญหาให้เขาทำให้เขาเนี่ยสู่ภาวะปกติหายทุกข์หายร้อนได้ไอความคิดในลักษณะนนเนี้ยต้องฝึกให้มีให้เกิดขึ้นมากๆ โดยเฉพาะก็คือว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยเขาเดือดร้อนกันเยอะเนี่ยนะความจริงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพื่อให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเป็นหน้าที่ของมนุษย์นี่แหละพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างค่อนข้างชัดพระพเจ้าเนี่ยเห็นปรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในห้วงมหันตทุกข์จมอยู่ด้วยอํานาจของกิเลส คือราคาความกำหนัดโทสะความโกโรธโดยเฉพาะอาวิชชาคือความมืดบอดดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดดำเนินก็สู่อบายบ้างทุกติวินิบาตนารกบ้างดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดที่เป็นมิจฉาปฏิปทาใช่ไหมพอพระ อ, องค์เห็นอย่างนี้ปุ๊บพระองค์ทํำยังไงค้นขวายช่วยตัวเองไงทำยังไงตัวเองแข็งแรงที่จะพ้นหรือที่จะสามารถช่วยบรรดาสัตว์โลกเหล่านี้ที่เจ็บปวดเหล่านี้พ้นจากความทุกข์ได้ เมื่อบุคคลบำเพ็ญกรุณาต่อผู้อื่นด้วยความปรารถนาดีเพื่อจะช่วยบุคคลเหล่านั้นในพ้นจากความทุกข์ต่างๆเป็นเหตุให้เขายอมแสดงกิริยาในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ประสบเคราะห์กรรมทั้งหลายดังนั้นเขาก็ได้รับการได้รับการสรรเสริญนี่เป็นผลพลอยได้นะเนี่ยเราเคยไปตรงโรงพยาบาลจุฬาไหมก็จะมีถนนอยู่ถนนหนึ่งเขาเรียกถนนอะไรอังรีดูนังเคยดีนะ ฮังรีดูนังเขาเป็นชาวสวิตเนี่ยเขาบอกว่าบุคคลนี้ได้ประสบประการมาในสนามรบเขาเกิดความสลดใจและสงสารชนิดที่ว่าทนดิ่งดูดายอยู่ไม่ได้เขาก็เลยแสดงแนวความคิดเห็นเสนอให้มีการตั้งองค์การกอกุศลขึ้นในระหว่างประเทศเพื่อมีหน้าที่รักษาพยาบาลทหารผู้เจ็บป่วยในภาวะสงครามใช่ไหมเนี่ย ในในตรงโรงบาลจุลาก็จะมีถนนอังรีดูนังเนี่ยมีชื่อก็าปรากฏอยู่ทุกวันนี้แหละแต่ว่ายัางว่าแหละอันนี้นก็ยกตัวอย่างบุคคลอื่นแต่บุคคลที่มีพระมหากรุณาที่คุณมากที่สุดก็ไ ม, ม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีมหากรุณาเรียกพระมหากรุณาพระองค์เนี่ยก่อนที่จะได้ตัสรทแทงตลอดเนี่ยท่านก็เห็นว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยประสบความทุกข์ ประสบความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแขนใจพษัตว์เหล่านี้ประสบความทุกข์มากทําอย่างไรเนาะที่จะทำให้สัตว์เหล่านี้พ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ท่านก็เลยอาสาเลยบําเพ็ญตนเองเพื่อจะเป็นโพธิสัตวแล้วก็ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าและที่สุดจริงพระองค์ก็ได้จริงดเมื่อเป็นพุทธเจ้าเนี่ยงานเบื้องต้นที่ทรงทํำก็คือจาริกเลยเนี่ย ในการที่ด้วยพระบาทเปล่าไปโปรดเวนายสัตว์ไปแสดงพระธรรมจักกพวัตนสูตรที่ป่าอิศปตนะเบลกัยาวันเมืองพราราณสีโปรดปัญญวัคคีแล้วก็พรม18โกดได้บรรลุเลยเนี่ยแสดงพระธรรมจักกพวัตนสูตรและต่อไปต่อจากนั้นก็โหยทรงป ร, ประกอบสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายพระมหากรุณาธิคุณของพุทธเจ้าท่วมท้นมากทําให้เสด็จออกพระนวด ทรงสละความเป็นกษัตริย์ไปสู่ความเป็นผู้ขอปราศจากเนี่ยในส่วนจริงก็ทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปเห็นไหมว่าความที่ว่ายอมสละตนเองยอมเหน็ดเหนื่อยยอมลาบากเหานี้ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะถ้าวิเคราะห์ถึงผลของการเจริญกรุณาแล้วก็เห็นว่าผลนั้นเกิดจากการเจริญกรุณานี้มากมายมหาศาลในคมภีวิสุทธิมารโกบอกว่า ในเรื่องของอนิสงค์ของเมตตาก็ดีนะอนิสง์ของการุณาเป็นต้นก็ดีเนะี่ยข้ในญ า, าติเดียวกันมีลักษณะที่ให้ผลอย่างมากมายนะประการต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของมุทิตานะมุทิตานี่ก็แปลว่าพลอยยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นประสบความสำเร็จเห็นความสุขความสำเร็จของบุคคลอื่น ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าปัตตานุโมทนามใหม่ก็คือรู้จักที่จะอนุโมทนาส่วนบุญแก่เขาเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสุขนะโอ้โหรีบแสดงความชื่นชมยินดีกับเขาทันทีมุทิตาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เกิดได้ยากสําหรับบุคคลที่มีแรงฤทิษยาสูงอันนี้ก็ควรทําให้มีให้เกิดขึ้นนะพยายามสร้างให้เกิดขึ้นให้บ่อยให้ต่อเนื่องที่สุดจริงๆก็ จะสามารถทำให้บุคคลนั้นเข้าถึงมุทิตาได้อย่างชัดเจนส่วนอุเบขาการวางใจเป็นกลางเนี่ยอันนี้ยากหน่อยอันนี้การวางเฉยในละความข้นขวายที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอุเบขาภพมิหารเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้พิจารณาถึงความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ ย, ยโดยความที่ว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้รับสุขได้รับความทุกข์ได้ก็เป็นเพราะกรรมนี่แหละ การวางใจเป็นกลางเนี่ยไม่เข้าไปยินดียินร้ายและไม่ก่อให้เกิดอคติลำเอียงเนะี่ยมีความลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะกโกรธลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวเนี่ยนะในหลักของจริยธรรมในพระพุทธศาสนาอุเบกขาพรมวิหารเนี่ยเป็นไปในการดํารงไว้คือรักษาบทบัญญัติกฎหมายกฎเกณฑ์ที่สังคมร่วมกันบัญญัติไว้เพื่อให้ประชาชนทุกคนในสังคมปฏิบัติร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรมเสมอภาคกันว่างั้นเถอะไม่ลำเอียง ฉะนั้นการวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริงกล่าวคือในการตัดสินใจเรื่องใดๆจะต้องพิจารณาค่าควรด้วยปัญญานะต้องมีเหตุผลอย่างถูกต้องตามความเที่ยงธรรมสามารถใช้สติปัญญาเนี่ยพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องประกอบเหตุและผลให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุ ข, ขุมรอบคอบแล้วก็สามารถที่จะดํารงมั่นรักษาความถูกต้องและความยุติธรรมไว้ได้เพราะฉะนั้นอุเบกขานี้เป็นหลักธรรมที่ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในหมู่คณะ ซึ่งเป็นธรรมะที่เหมาะสมสําหรับผู้ใหญ่หรือคนที่จะเข้าถึงคุณธรรมความเป็นผู้ใหญ่นี่แหละหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอยู่นะที่ปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครองหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยรวมทั้งเหมาะสําหรับผู้ที่มีหน้าที่ในด้านประดุงความยุติธรรมนะเช่นผู้พิพากษาอย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะหน้าที่ในการรับผิดชอบกิจการบริหารต่างๆเหล่านี้นะถ้าขาดพรหมวิหารก็จะเสื่อมเสื่อมจากความเคารพนับถือเป็นต้นด้วยโดยเฉพาะก็คือว่า อุเบกขาเนี่นะเมื่อเจริญได้อย่างชัดเจนและเข้าใจแล้วก็จะสามารถละอคติความลำเบียงเพราะรักเป็นต้นเหล่านี้ได้ดการวางใจเฉยเป็นกลางเนี่ยวางใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้คือเมื่อเรามีเมตตากรุณาหรือมุทิตาแล้วต่อ บ, บุคคลและสัตว์ในบางกรณีจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยเขาทำตัวของเขาเองถ้าเราไม่วางอุเบกขาเราก็จะวุ่นวายแล้วก็ไร้ประโยชน์ ประการที่2การวางใจเป็นกลางคือไม่ลำเอียงด้วยอคติทั้ง4ด้วยรักด้วยชังด้วยหลงและก็ด้วยความกลัวอุเบกขาลักษณะนี้ทําให้ตั้งมั่นอยู่ในความยุติธรรมสมความเป็นผู้พิพากษาความผิดความถูกต้องผู้อื่นนี่นะีอย่างนี้เป็นต้นส่อนอุเบกขาในสุขและทุกขในความขึ้นลงของชีวิตในความเป็นอยู่ของของโลกธรรมทั้งหลายเนะชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับโลกธรรม มีลาบเสื่มลาบมียอดเสริมยอดินทาสารเสริอสุขทุกนี่ต้องวางใจต้องเตรียมไว้นะว่าสถานการณ์เหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเป็น bet ต้นเหล่านี้ก็ต้องวางใจเป็นกลางในการที่เจอความพินาศทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเจอสุขเจอทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องของพรหมวิหารเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าถือว่าเป็น ในคำผีวิสุทธิมาร์ก็บอกว่าท่านแสดงอนิสงค์อนิสงค์ของพรหมวิหารก็ไว้ท่องได้ไหมไอสง์ของเมตตาไป็ตได้ไม่ได้เอาเดี๋ยวข้อแรกนะยานการเจริญเมตตากรุณามุทิตาเมื่อเจริญได้เป็นร่ำเป็นสันแล้วจะได้อนนีอนสงค์หนึ่งสุ ข, ขังสุ ป, ปติหลับเป็นสุขคือผู้เจริญพรหมวิหารเนี่ยนอนหลับก็สบายอย่างคนที่มีความสุขไม่หลับอย่างเป็นทุกข์ ให้สังเกจะเรียกว่าหลับอย่างมีความสุขในการหลับของคนเราเนี่ยมีสองประเภทก็คือหลับอย่างเป็นทุกข์กับหลับอย่างเป็นสุขหลับอย่างเป็นทุกข์เราชนผู้ไม่ได้เจริญพรมิหารเวลานอนก็จะเป็นทุกข์กว่าจะหลับได้ก็พลิกกลิ้งไปกลิ้งมาอันนี้ไม่ได้ไปพูดแล้วเอเป็นนะถ้าไม่เไม่เจริญเป็นไหม หลับแบบโมหะคนละอย่างได้จะว่าอีกทีอันนี้หลับแบบเป็นทุกข์ในกลิ้งไปกลิ้งมาเนียเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยมากไปด้วยความฟุง้งซ่านและเมื่อจะข่มให้สงบเพราะต้องการจะหลับก็ย่อมข่มได้ยากหลับก็ยากในวิสุทธิมรรคบอกลักษณะหลับเป็นทุกข์ไว้ว่าจะมีลักษณะที่นอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาในมำวิสุษที่มรรคเป็นไหมเออพลิกไปพลิกมา นอนกรนเสียงดังเวลาหลับก็กรนเสียงดังเหมือนคนนอนหลับอย่างมีความทุกข์ทรมานเนี่ยมันจะเป็นมันจะกวนกระวายมันจะรู้สึกอึดอัดมากบางทีเนี่ยมันรู้สึกเป็นทุกข์มากเลยพอนอนปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกมันไม่สบายใจไม่สบายตัวยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปหงุดหงิดอากาศหงุดหงิดยุงหงุดหงิดอะไรก็ไม่รู้นีคือมันไม่มันไม่มันไม่สบายใจหมดเลยเนี่ย บางทีก็ไปงดกิจอะไรรู้ไหมหงดกิจที่นอนดูเหมือนที่นอนไม่ไม่สบายยกกับเราบ้างมันให้วุ่นวายไปหมดเนี่ยแปลว่าอะไรราะว่าจิตไม่ได้อบรมเมตตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นอันนี้พูดไปมันก็เราก็ไอเดี๋ยวนี้เป็นกันมากไม่ใช่เป็นเฉพาะเราเนะไอคนที่เราเป็นทุกข์เนี่ยในประการวิสุทธิมารกบอกพลิกใบพิกมาตลอด ส่วนบุคคลที่จิตอบรมมาดีด้วยพรมวิหารและธรรมมีเมตตาเป็นต้นจิตมีจิตที่ประกอบไปได้วยเมตตาเนี่ยนอนหลับเป็นสุขคือหลับอย่างมีความสุขเป็นการนอนหลับอย่างสงบและเยือกเย็นไม่กระสับกระสายใบหน้าก็เ อ, อิบอิ่มตลอดเวลาในขณะที่นอนม่นให้อยากได้จริงๆไ ง, งไอ้ภาวะแบบเนี้คือนอนหน้าตาอิ่มพระพุทธโคสอาจารย์ที่ท่านรัชนาวิสุทธิมาฯก็บอกอยางลงสู่ความหลับได้ง่าย แม้หลับก็หลับแบบสงบนิ่งดุดกำลังเข้าสมาธิเหมือนกับเข้าสมาบัตเลยทีเดียวยนังถ้าหากว่าเราไปเห็นคนที่เขาฝึกเจริญพระมิหารมาดีเวลานอนนี่นะไปดูเนี่ยหน้าตาเขาจะยิ้มตลอดเลยเหมือนกำลังเข้าสมาบัตอยู่ไม่ใช่นอนแบบอ้าปากกรนน้ำลายยืดไหล นอนกระซับกระสายหรือว่านอนกัดฟันกรอดกรอดไม่ไม่มีอาการแบบนี้เลยสงบนิ่งดูหน้าตาพองอะไรเนะยเหมือนยิ้มอยู่งั้นนตลอดเวลาเดี๋ยวท่าเนียนบอมนอนก็ล็กไปดูเดี๋ยวท่านในนะเดี๋ยวลองสังเกตนะปิดออย่าไปอย่าไปงับก่อนอย่าไปไปล็อกประตูนะเราอยากดูตอนหลับเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงยิ้มไหมหรือว่านอนคว่ำไอ้ <c oughs> นอนอย่างไงี้ยไม่ห้าม ที่จริงอนะความการว่านอนนอนนอนเป็นสุขนะั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุนะีแต่มันอยู่กับจิตใจเป็นใหญ่นะคือเมื่อจิตใจดีเต็มเปลี่ยมไปด้วยพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้นเหล่านี้ไม่ว่าจะนอนที่ไหนความสุขความสบายก็เกิดมีขึ้นแต่ถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทความทุกข์ความริษยาหรืออกุศลทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นตอนให้นอนฟูกนุ่มๆเนี่ยอากาศดีๆความสุขที่เกิดจากการหลับที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพราะเขามีใจที่เต็มไปด้วยกิเลสความเศร้าหมองนีคนทั้งหลายเข้าใจว่านอนให้เป็นสุขเนี่ยคือต้องนอนบนฟูกนิ่มๆไปเข้าใจอย่างนั้นมีผ้าห่มที่เราพอใจอย่างเงี้ยหรือในห้องนอนที่มีอากาศเย็นสบายจึงจะนอนอย่างมีความสุขคือไปมุ่งแต่วัตถุภายนอกคุณค่านอกตัวแต่เขาไม่ได้คิดว่าคนที่หลับเป็นสุขนั้นไม่เกี่ยวกับวัตถุแต่ไม่เกี่ยวข้องกับจิตใจล้วนๆเลยนะคนที่นอนที่โคนไม้ไม่มีฟูก ไว้เลยสำหรับปูนอนไม่มีหมอนสําหรับไว้หนุนศรีรษะเลยเนี่ยมีแต่ไม้แข็งๆเนี่ยแต่เขาหลับเป็นสุขได้เนี่ยเขาหลับได้จิตใจที่เปี่ยมด้ว ย, วยเมตตาธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันเลยเรื่องนี้นะยืยนยันว่าพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าเนี่ยใครสุขมากกว่ากันระหว่างพระเจ้าพิมพิสารนอนบนวัสดุชั้นที่เจแต่พระพเจ้านอนบนพื้นดินเนี่ยพระเจ้านอนหลับได้สุขกว่า จะหลับเมื่อไหร่ก็ได้กำหนดหลับกำหนดตื่นนะมีความสุขอยากทำได้ไหมอาสุขขังปฏิพุทติตื่นก็เป็นสุขไม่ใช่หลับเป็นสุขอย่างเดียวนะตื่นก็เป็นสุขด้วยคือบุคคลที่เจริญพรหมวิหารเวลาหลับสบายอย่างคนที่มีความสุขแล้วเวลาตื่นก็ตื่นอย่างมีความสุขในวิสุทธิมรรคบอกว่าผู้เจริญเมตายามตื่นขึ้นก็สดชื่นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกับดอกบัว ที่กำลังบานกำลังแย้มบานตื่นมาอย่างนั้นแหละไ่ตื่นมางุดหงิดเลยเป็นไหมพอตื่นนมาเครียดกินเลยเนี่ยเป็นให้เป็ น, ปนลุกพวดออกจากที่นอนหน้าตาก็ยุ่งอา้าวยุ่งไหมเวลาตอนตื่นในวัยหรือ ย, ยี้มองมาเลยแย้มบานเหมือนตอ ไม่มีปัจจัยที่ทําให้จิตขุนมัวไม่มีสัญญาคือความจําในเรื่องที่ขัดเคืองใจนะเพราะทําผิดพลาดด้วยประการใดๆนะเป็นเหตุให้เกิดความกังวลอย่าลืมนะว่าคนที่เขาเจริญเมตตามากๆๆาๆเขามีกุศลสัญญาเยอะหรืออ ก, กุศลสัญญาเยอะกุศลสัญญามีใจําในเรื่องดีๆนะกายสุจริตวาจาสุจริตเขาไม่มีสัญญาจําในเรื่องขัดเคืองใดๆนะหรือการกระทําที่ผิดพลาดความวิตกกังวลตื่นขึ้น จึงมีแต่ความสุขสดชื่นต่างจากคนที่มีจิตใจที่ไม่ได้เจริญพรหมวิหารเขาก็จะกัดกลุ่มทั้งหลับทั้งตื่นก่อนนอนหลับก็จิตใจเศร้าหมองตื่นขึ้นมาก็มีทุกนึกถึงทุกถึงโทษคือความผิดที่ตนเคยกระทำไว้แล้วเนี่ยผู้ที่ไม่ได้เจริญพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเวลาหลับจะตื่นมันก็นอนอาการนอนไม่อยากจะตื่นทอดถอนใจกลิ้งเกือกไปมาจิตใจหม่นหมองไม่แช่มชื่น ตื่นกันมาด้วยการงัวงเงียงุดหิ ด, ดเห็นอะไรที่รอบกายหดหิดหมดห <c oughs> ดงิตในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยเริ่มวันใหม่เปิ ด, ปดหากคนเรามีความทุกข์ภายในจิตใจชีวิตประจำวันของเขาก็จะพอมีแต่เรื่องกังวลอยู่เลยเออในประจำวันเนี่ยหดหิตไหม ทำจิตใจผ่องใสเบิกบานได้ตลอดไหมเออไอ น, นี้คือปัญหาแต่ถ้าทำได้เมื่อไหรนะ่เนี่ยจิตจะเริ่มลงตัวแล้วอันนี้เป็นวิธีการฝึกนะถ้าทำได้เมื่อไหร่โอ้จิตจิตจะเบิกบานมากเลยจิตจะผ่องใสแล้วที่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะพลอยมีความทีนี้ถ้าบ อ, อกว่าหากว่ามีความทุกข์ ภายในจิตใจชีวิตประจำวันก็พลอยได้รับแต่วความทุกข์ความกังวลตลอดวันแต่ถ้าเริ่มต้นวันใหม่ของชีวิตด้วยความสุขสดชื่นนะชีวิตประจําวันก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยฝึกนะฝึกให้มีความสุขทํำยังไงดีถึงจะมีความสุขอยู่คนเดียวกับอยู่กับคนทั้งหลายเนี่ยไหนสุขใจกว่ากันอยู่คนเดียวนี่ความความสุขใจเกิดได้ง่ายหรือว่าอยู่กับเพื่อนประพุทธพรหมจรรย์ อันไหนสุขใจได้ไง่ายอันไหนฉะนั้นถ้าหากเราฝึกอย่างนี้นะด้วยจิตใจที่เบิกบานเวลานอนก็นอนอย่างคนที่มีความสุขสดชื่นนอกจากนี้บุคคลที่เจริญพรหมวิหารที่เป็นเหตุให้เป็นเหตุใกล้เน่ยนะให้ทํากุศลและทําก้ออื่นไ ด, ได้ง่ายด้วยการให้ทานก็ทําได้เมตตาการรักษาศีลก็รักษาศีลด้วยมีเมตตาเป็นแรงขับเคลื่อนพระเถพจน์ที่บอกว่ากุลบุตรผู้ไข่ประโยชน์พิงศึกษาบุญนั้น และนะแลอันสูงสุดต่อไปซึ่งมีความสุขก็คือพึงเจริญธรรมะความประพฤติสงบมีเมตตาจิตขั้นบันเดีจเจริญธรรมะสาประการนี้แล้วเป็นเหตุแห่งความสุขเหล่านี้ย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีการเบียดเบียนแล้วก็เข้าถึงความสุขเป็นต้นด้วยเอาหนะ้าปลาประการสปีนางปัสสตินอนก็ไม่ฝันร้ายบุคคลเจริญพรหมิหารเป็นต้นเหล่านี้นอนหลับอย่างสบายมันควที่มีความสุขฝันแต่เรื่องที่ดีๆ ฝันก็ฝันแต่สิ่งที่ดีงามเช่นฝันว่ากําลังไหว้พระเจดีกําลังบูชาพระกําลังฟังธรรมนี่จะเป็นอย่างนี้เคยไหมเคยนอนแล้วฝันแบบนี้ไหมฝันให้ทานฝันรักษาศีลฝันฝันว่าสวางธรรมะฝันไปเดินรอบพระเจดีไปเดินรอบพระต้นพระศรีมหาโพฝันแบบนี้บ้างไหมแสดงว่าตอนไปทำไม่ค่อยประทับใจต้องไปทําให้เกิดความประทับใจจริงๆนะ แล้วจะได้เอาเก็บมาฝันสัญญาที่จําำจำจ ำ, จำได้แสดงว่าสัญญาไม่ค่อยจํานีไม่ค่อยจําไม่ค่อยประทับใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้เจริญพรหมิหารเนี่ยฝันร้ายด้วยมีจิตห่างไกลจากเมตตาก็จะสั่งสมความโกรธเวลาหลับก็จะน้อมใจไปเกิดความฝันในเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาความโกรธความสะดุ้งกลัวก็เกิดขึ้นฝันร้ายเออเนี่ยถ้าหากว่าฉันเองถ้าไม่ได้เจริญเมตายันจะฝันไม่ดี จะฝันไม่ดีฉนันต้องฝึกมากเลยวันถ้าสมมุติว่าหยุดหยุดเจริญเมตตาสักวัน2วันเอาแล้วเอาแล้ ว, เ, ลวเดี๋ยวจะฝันจะไม่ค่อยดีเลยจะเป็นอย่างนี้เรืเ่อยเลยเนี่ยลตัวเองนี้ตลอดเป็นไหมฝันดีหรือฝันไม่ดีต่างๆแปลว่าอะไรจะเจริญเวรคาใช่ไหมที่จะพูดฝ <laughs> <laughs> ันว่าตนเองถูกพวกโจรลุมทาร้าย ฝันว่าสัตว์ร้ายทำร้ายเอาฝันว่าตกไปในเหวเคยฝันอยู่นี่ไหมฝ <Yeah. S 1> ันว่าเหาะได้เคยไหมเ <Yeah. S 1> ลยเหาะไปไหน <Yeah. S 1> ในใจในใจที่ฝันเนะี่ยเหาะไปไหนเ <Yeah. S 1> ลอฝันว่าหมาไล่กาดไล่เหาะหนีเคยมั้ย yeah. โอ้โหลุ้นนะโดยมันก็กระดดกระดอดจะถึงแล้วไม่ถึง น, ะนี่ฝันไม่เคยดีกก็คือว่ามีจิตเยจยงามก็มีสติสัมัชัญญาค่อนข้างดีนะจากกุศลที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นเหตุให้ฝันมนุษสานางปีโยโหตี เ, เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายผู้เจริญเมตตาพรหมหารหรือเจริญพรหมหารทั้งหลายเนี่ยเป็นประจำนะจะเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่โกรธง่าย มีความรักต่อคนทั้งหลายมีใจที่เอเื้อเพื่อเผื่อแผ่โอบอ้อมจริยาจะพูดเห็นไหมเวลาจะพูดก็พูดเด้วยเมตตาจะทําก็ทําด้วยเมตตาจะคิดก็คิดเด้วยเมตตาหรือกรุณาหรือมุทิตาและการวางใจเป็นกลางมีความยุติธรรมนําประโยชน์สุขแก่ตนเองและคนอื่นอนุภาพจิตที่แผ่ไปด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยต่อคนทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายเวลาใครพบเห็นเข้าก็จะรักใครพอใจ ในคำพีวิสุทธิมารเกล่าวว่าย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเสมือนสร้อยมุกดาที่เขาห้อยไว้ที่อกหรือเหมือนกับพวงดอกไม้ที่เขาสวมประดับไว้ที่ศีรษะฉะนั้นเอาละเวลาเอาสร้อยมุกดาสวมไว้ที่อกไปที่ไหนคนมองไหมคนมองแล้วก็ชื่นใจไหมเลือดดอกไม้ร้อยไว้ที่ศีรษะไม่ดูแล้วน่าละนี่เหมือนกันเวลาใครเห็นเราเนี่ยเขายิ้มเขาอยากดูอยากมองไหม ไอ้ที่เขาไม่อยากดูไม่อยากมองไปว่าพรหมวิหารไม่เกิดฉะนั้นถ้าหากว่าเราจเจริญพรหมวิหารนี่ติดต่อต่อเนื่องทั้งหลายจะเป็นที่รักของมนุษย์มากได้รับความเมตตาจากบุคคลทั้งหลายดุจผู้ไหว้เขาก็ย่อมรับการไหว้ตอบมันผู้มีจิตที่อบรมด้วยพรหมวิหารมีการแผ่ความรักความปรารถนาดีเป็นต้นโดยไม่ได้หวังความปรารถนาดีจากผู้อื่นตอบแทนแม้ไม่ต้องการตอบแทนผู้มีเมตตาต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเมตตาตอบจากผู้อื่นนะ เพรามวิหารนะมีอนุภาพมากเป็นมหานิยมที่สุดยอดที่สุดเป็นคาถามหานิยมยิ่งกว่าวัตถุมงคลด้วยนะนั้นวิธีสร้างเมตตาท่านสอนให้สร้างภายในนะภายในก็คือฝึกเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องกรุณาทั้งหลายนี้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องทําความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นในที่สุดจริงๆเนี่ยจะเป็นที่รักของมนุษย์ เป็นที่ราของมนุษย์ความรักย่อมเกิดขึ้นจากการเคยอยู่ร่วมกันในการก่อนจากการประพฤติเกื้อกูลกันในปัจจุบันเหมือนดอกบัวเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุประการสอประการนั่น้ําและก็เปลือกต้มชนะด้วยกั น, น, นเป็นเหตุทําให้ความรักเกิดขึ้นได้ประการที่5้าอัมนุษย์สารนังปิโยโหติเป็นทีรักของอมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์เหมือนเหมือนเป็นที่รักของมนุษย์คําว่าอามนุษย์โดยตรงได้แก่ผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นอะไรบ้าง สตว์เดรฉ า, านเปรตอสุรากายเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอมนุษย์แล้วพลังของเมตตาที่ได้แผ่ไปสู่เหล่าสัตว์เนี่ยพลังของเมตตาเนี่ยไปในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทําให้สัตว์ทั้งหลายเกิดจิตอ่อนโยนเออนี่นะหมาไม่กัดคนมีเมตตาเนี่ทดลองเลยนะไปแผ่ให้เจ้าสิงห์ได้ไหมได้ไหมได้ อาจารย์สตาล์นก็บอกว่าเขาอาหารไปให้เจ้าสิงค์ขนาดให้เขาเนี่ยนี่ยพอให้สักพักหนึ่งก็มือไปลูบหัวเขาเขาก็แห่ใส่เอ้ยคบไม่ได้ก็ว <c oughs> ่ากันเลยแรงเมตตาไม่เกิดพลังของเมตตาเนี่ยเข้าไปในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายทําให้สัตว์ทั้งหลายเกิดความรักขึ้นมาดังนั้นคนที่มีเมตตาประจําใจแม้สตัตว์เลี้ยฉันก็ยังรักให้ไม่ทําร้ายภิกษุที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า ที่มีภัยจากอมนุษย์และสัตว์ร้ายจึงนิยมนิยมแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำเทวดาและสัตว์ทั้งหลายที่มีเมตตาจิตเนี่ยนะที่มีเมตตาจิตตอบไม่ทําอันตรายบางครั้งสัตว์ป่าบางชนิดชอบที่จะมาอยู่ใกล้ๆอีกด้วยเพราะเมตตานี่แหละในเรื่องเนี้ยนะท่านกล่าวถึงเรื่องท่านวิสาขาเป็นตัวอย่างมีเรื่องย่ออย่างนี้นะท่านวิสาขาอยู่ที่เมืองปาตาลีบุตรต่อมาลงเรือไปไ ป, ไปบวชที่เกาะลังกา ท่านเป็นพระที่ฝึกในการเจริญเมตตาเป็นอัธยาศัยเมื่อเจริญเมตตาแล้วท่านก็แผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายเป็นนิดต่อมาท่านคิดอยไปอยู่ที่อื่นคือท่านอยู่ๆนะที่ตรงนั้นเนี่ยเวรๆนะั้นก็แผ่เมตตาตลอดตลอดตลอ ด, ลอดทุกวันทุกวันทุกวันเออแผ่เมตตาให้กับมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ด้วยต่อไปพอออกพรรษาแล้วท่านอยากไปที่อื่น นี่เทวดาที่สถิตยอยู่ที่ที่จงกรมเนี่ยก็มาร้องไห้ท่านก็ได้ถามเอ๊ะนี่ใครร้องไห้อยูน่นี่นี่ถามว่าใครใครเทวดาก็ตอบว่าเทวดาเอาร้องไห้ทำไมก็บอกว่าก่อนหน้าที่ท่านจะมาอยู่ที่เนี่ยพวกเราทะเลาะ ก, กันตลอดขัดแย้งกันตลอดไม่สามัคคีไม่กลมเกลียวไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเลย พอพระเถรามาอยู่เนี่ยโหจิตใจเข้าไปเจ้าเยือกเย็นปฏิบัติดีต่อกันว่า ง, งั้นแม้ถ้าท่านไปอีกเดี๋ยวสถานการณ์ความขัดแย้งก็จะเกิดอีกอย่างนั้นเลยขอให้ท่านอยู่ตรงนี้หน่อยเถิดอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้านี่เข้าใจยังท่านก็เลยอยู่โปรดเทวดานั้นจนท่านไปพืชปฏิบัติที่ตรงนั้นจนท่านบรรลุและนี้ผ่านในทีนี้เ น, นี่ยเป็นที่ราของอนมนุษย์เห็นไหมเออในตัวอย่าง เป็นที่รักของสเดฉานก็ปรากฏในคำพีทางพุทธศาสนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าที่เผชิญกับช้างดุร้ายชื่อว่านาราคิรีที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อหมายปองพระชนเนี่ยแต่ช้างนั้นไม่สามารถทําลายพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็ใช้นี่แหละเมตตาเนี่ยในช่วงนั้นพระพุทธเจ้าหยุดการแผ่เมตตาไปในสตัตว์ทั้งหลายก็น้อมพลังของเมตตาแผ่ไปที่เจ้าช้างตัวนี้แหละช้างเชือกนี้แหละช้างนั้นก็หมอบลงแทบพระยุคนบาทของพระพุทธเจ้า แล้วภรจิจาก็บอกคุณชอนเ อ, อ๋ยเธอจะทำร้ายพระตถ า, าคตเลยถ้าทำร้ายพระตถ า, าคตแล้วจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตันรกนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปจนช้างนั้นตายช้างนั้นก็รักษาสีลหนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนี่อ ะ, ะเลอนิอนสง์เมตตาหน่าจเจริญไหมเนี่ยพูดให้เกิดมีความรักขึ้นมาโอ้ยน่าจเจริญจริงๆันตหากว่า ขาดพรหมวิหารข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บจะถูกอมนุษย์เบียดเบียนภิกษุพรุทธเจ้าตรัสภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญเมตตาเจโตมุตไม่กระทําให้มากแล้วซึ่งเมตตาเจโตมุตพิภิกษุรูปนั้นย่อมเป็นอันอมนุษย์กําจัดได้ง่ายก็คืออมนุษย์จะเบียดเบียนนั่นเองแต่ถ้าหากพิกษุรูปใดเจริญเมตตาเป็นต้นแล้วพวกอมนุษย์จะทําร้ายได้ยาก พิษุรูปใดเจริญเมตตาเจโต ว, วิมุตต์ทำให้มากแล้วพิษุกรุกนั้นยอบเป็นผู้ที่อันอมนุษย์กําจัดได้ยากนี่เราได้อาวุธแล้วอาวุธในการที่จะป้องกันคนดีคือคืออะไรพรหมวิหารนี่แหละมีเมตตาเป็นต้นฉะนั้นจงกระทำให้มากกระทำให้ติดต่อและต่อเนื่องจะได้เป็นที่รักของอมนุษย์และอมนุษย์เหล่านั้นจะจะ จะไม่กําจัดจะไม่เบียดเบียนเทวดารักขันติเทวดาย่อมรักษาผู้เจริญพรมหมฐารไปความหวังดีไปยังเทวดาเนืองนิดเทวดาจะได้รับเมตตาจิตขันได้รับเมตตาจิตก็รักษาผู้เจริญเมตตานั้นนะ่ะนะตามหลักพุทธศาสนาในเทวภูมิจะมี6ชั้นนะจารุมหาราชิกาเตาวติงสายามาดุสตานิมานาลีปานิมิสวาสวสดีเนี่ยถ้าในชั้นจารุมก็มีพวกภุมิมัตถาเทวดาเทวดาที่อยู่ในพื้นแผ่นดิน รุกเทวดาเทวดาที่อยู่บนต้นไม้อากาศัถธาเทวดาเทวดาที่อยู่ในอากาศเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจเหนือมนุษย์สามารถให้การคุ้มครองรักษาเบียดเบียนมนุษย์ก็ได้ดังเช่นในเรื่องของอรัทธวิปัสสกาภิกฆควรเริ่มแรกพิกษูไม่บำเพ็ญเพียรไปในป่าไม่เจริญพรหมวิหารก็ถูกเทวดาเบียดเบีย น, ยนต่อเมื่อได้บำเพ็ญเมตตาเป็นต้นเทวดาทั้งหมดก็หันมาคุ้มครององนี้เป็นต้น อย่างในเมธในกรณีเมตตาุสจำได้ไหมทิคสู500รูปอะไปในป่าโอ้ยอมนุษย์เบียดเบียนนะต้องการอยากจะหนีจากที่ตรงนั้นพุทธเจ้าให้กลับไปที่เดิมให้ไปเจริญเมตตานี่แหละโอ้พอเจริญเมตตาเทวดาก็รักบำรุงดูแลหรือในสุวรรณสามชาดกเทวดารักษาเทวดาเองเมื่อเห็นแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือผู้ปมเพลนป ม, มิหารอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหม ปล่อยให้ลำบากไม่ได้ก็ต้องเข้ามาดูแลมารักษานาสคีวาวิสังวาสถังวากรมติไฟยาพิษและสตราม่กล้ามไกลก็แปลผู้เจริญพรหมวิหารเนี่ยย่างสรรพสัตว์หนึ่งนิดแล้วอำนาจของเมตตาจิตมีอนุภาพมากย่อมมีอนุภาพทำให้ผู้อื่นรักและทำให้ศัตรูที่มุ่งร้ายกลับใจเปลี่ยนมาเป็นมิตรตามที่ได้กล่าวไว้เนี่ย แต่บางคราวแม้ไม่สามารถทำผู้นั้นให้กลับใจได้ยังคงมุ่งร้ายอยู่นั่นเองก็ยังมีอนุภาพป้องกันเป็นเครื่องมือนะในการป้องกันและป้องกันไฟด้วยสตราวุธด้วยไม่ให้กล้ำกลายด้วยเหมือนนางอุตราเป็นตัวอย่างยาพิษก็ย่า ก, กล้ำกลายไม่ได้กล่าวคือไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในร่างกายของบุคคลผู้มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาไดา้อย่างที่จูระวิศิวเถระที่กาลัง สอนคำพีสังยุทธิการอยู่ถูกงูพิษที่ตกจากต้นไม้กัดเอาก็ไม่ได้รับอันตรายอย่างนี้นะคือในขณะที่งูกัดปุ๊บแต่ท่านกําลังกล่าวพุทธพจน์อยู่ด้วยใจที่เป็นไปกับเมตตากับบุคคลที่กําลังฟังเมตตาขับพิษไหลออกมาเลยครับขับพิษไหลออกมาเลยนี่ขนาดนั้นนะโหอา น, นิสงส์ขนาดนี้เลยน่าทํำไหม ด้วยอนุภาพของเมตตาก็ทําให้ปลอดภัยจากศสตราวุธที่ผู้อุ่นใช้ทําร้ายอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีส่วนได้รับการคุ้มครองจากภัยของเมตตาเหมือนอย่างเรื่องแม่โคป่าตัวหนึ่งไงมีเรื่องเล่ายัางไงแม่โคป่าตัวนี้กําลังยืนให้ลูกกินนมอยู่นั้นในระหว่างนั้นนายพานมาพบคิดจะแทงก็ใช้หอกพุ่งกระทบล่างแม่โคแล้วก็พอกระทบปุ๊บเนี่ย ไม่เข้าเลยอะนะไอหอกที่พุ่งมาเนี่ยแฉลบเลยเพราะงั้นพุ่งเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายแม่โคเพราะตอนนั้นแม่โคกําลังมีเมตตาไหมกำลังมีเมตามมเมตาเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั้นผู้เจริญพร ม, มิหารเนี่ยพลังแห่ง เ, เมตตาเป็นต้นที่เป็นสมาธิกัคุ้มครองผู้ผู้นั้นไฟสตรายาพิษทั้งหลายก็ไม่สามารถที่ไปกลํากลายได้แล้วป้องกันโรคโรคร้ายด้วยนะ ออผู้ที่มีเมตตาย่อมสามารถเอาชนะใจคนอื่นซึ่งเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดไม่กลับมาแพ้ผู้ตั้งอยู่ในเมตตาจึงเชื่อว่าทาประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นย่อมเป็นคนอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดทำอันตรายได้อันหนึ่งเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมพรมิหารแล้วก็ย่อมไม่มีศัตรูที่คิดจะมุ่งร้ายหรือทาอันตรายเมตตาธรรมเนี่ย ถ้าบำเพ็ญได้ในระดับใดระดับหนึ่งได้รับในสงนก็จะไม่มีศัตรูอย่างนี้เป็นตอนนี้เป็นอนุภาพนะตัวถังจิตตังสมาธิยติแปลว่าอะไรตังมันนี้อย่างก็คือจิตตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วเป็นสมาธิได้เร็วก็แปลว่าเมตตาเนี่ยเมื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์เนือง ด้วยอานอำนาจของเมตตาจิตเป็นต้นที่บำเพ็ญเป็นประจำบ่อยๆจะทําให้เบิกบานแจ่มใสจิตชุ่มชื่นเ อ, อื้อิ่มอยูต่ตลอดเวลาดังนั้นพอทําจิตให้สงบจะทําได้ง่ายมากซึ่งต่างจากคนที่ไม่ได้เจริญเมตตาเป็นต้นจิตจะกระสับกระสายวุ่นวายสมาธิเกิดยากอันผู้มีจิตประกอบไได้วยเมตตาเนี่ยถ้าไม่ได้อบรมเมตตานะจิตจะมากไปได้วยความโกรธความไม่พอใจสงบได้ยาก รู้สึกเป็นพาร้านหนักแม้จะไปอยู่ในที่สงัดวิเวกจเจริญกรรมฐานยังไงก็ไม่สามารถที่ยังจิตให้สงบได้คอยแต่จะงุดหงิดขัดเคืองตลอดทั้งนี้เป็นต้นนะนะนั้ น, น, นถ้าอบรมพร้อมวิหารมาดีก็มีสภาพจิตที่เบิกบานพ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆไม่ว่าอากาศจะร้อนจะเย็นจะหนาวทั้งหลายเหล่านี้จิตจะตั้งมั่นดีจิตจะแข็งแรงอย่างพวกเรานี่ก็เลยจิตอ่อนแอถูกกิเลสรบกวนง่ายเข้าใจไห นิดหน่อยก็ปั่นนะปั่นให้หลับก็ได้ปั่นให้ฟุ้งซ่านก็ได้ปั่นให้เครียดก็ได้ปั่นให้กรุ้มปัน่นเออเพื่อปั่นอยู่นั่นแหละเป็นจิตที่ไม่ไม่ได้รับการอบรมจากพรหมวิหารอบรมไม่เป็นนี่สิทำประเด็นอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีวิธีฟังแล้วก็จเจริญไม่ได้เคยเป็นไหมไม่รู้จ ะ, จะเจริญยังไงฝึกก็ไม่ขึ้นทําำกงเคยเป็นไหมไอ้โรคแบบเนี้ยเป็นไหม หรือขี้เกียจจงเลยงนะั้นเป็นมันเป็นข้อไหนมันเป็นข้อไหนอ่ะเกียนเป็นข้อไหนฮะมันขี้เกียจหรือเปล่าเอาแล้วบอมมันเป็นข้อไหน ไใ้ตรงนี้เหตุผลก็เพราะว่าจริงๆคือไอ้กิเลสของเรามันมันมันมันหนามากไอ้บุุรชนที่มีความความลังเลสงสัยอย่างนั้นหนาความฟุ้งซ่านลำคาญใจแบบนั้นหนาความหดหู่ท้อถอยแบบนั้นหนาความกำหนัดแบบนั้นหนาความขัดเคืองแบบนั้นหนามันกุ้มล้มอยู่เวลาจะเอาเมตามาเจริญปุ๊บมันขวางเลย น้าข้าน้าข้ากว่าอย่าเมื่อกี้หงุดหงิดว่าเพราะงั้นนะไม่ทํามันไม่ให้ข้าแทรกด้วยเพราะมันคลองใจเรามานานแล้วอย่าอย่ายอมแพ้อย่าไปยอมจัดการนะี่ฝึกให้ได้นะถละ้วในสุดจิตจะตั้งมั่นแล้วมีจิตแน่วแน่แน่ไม่ฟุ้งซ่านไม่เฉื่อยชาเป็นจิตที่ใสสะอาดไม่ขุนมัวด้วยน้เข้าจะทําได้นี่เป็นอย่างนี้มุมมขวันนวิปัสสีสติผู้เจริญเมตตาก็มีผิวหน้าที่ผ่องใส ก็คือเป็นผู้มีจิตใจดีมีผิวหน้าที่ผ่องใสเหมือนดังลูกตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ๆมีผิวพรรณทั่วๆไปตามร่างกายส่วนต่างๆก็เปลง่งปลัง่งถ้าไม่น่ารักหน้าเข้าใกล้มองดูก็รู้ทันเดียบุคคล น, นี้มีจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาหน้าตาผิวพรรณผ่องใสด้วยอนุภาพของเมตตานี่แหละตรงกันข้ามกับคนที่ขาดเมตตาเนีเขามีความกรอดอยู่เป็นประจำปุ๊บมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป็นแง่ลบ กายที่ทําวาจาที่พูดจิตที่คิดไปในทางที่ไม่ดีเนะี่ยผิวพรรณก็ไม่ผ่องใสเป็นคนแก่เกินวัยด้วยนะคนที่ขาดเมตตาเนี่เนะี่ยเต็มไปด้วยกิเลสเศร้าหมองราคะโทสะโมหะเป็นคนเครียดเป็นโรคเครียดเป็นโรคกระเพาะอะไรเนะี่ยตามมาอีกเยอะมาก อาสามุนหัวารังกระโรตีไม่หลงตายบุคคลที่เจริญภูมิวิหารเวลาตายก็ตายอย่างคนมีสติสัมปชัญญะเนื่องจากเป็นผู้ที่มีปกติจิตใจที่เบิกบานเอิบอิ่มนี่แหละไม่หงุดหงิดง่ายไม่โกรธง่ายเมื่อเวลาตายก็จะไม่หลงตายไม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะตรงนี้เนะีคือไปสู่สุขติภูมิจิตเตอสังกิริเทศสุขติปฏิกังขาเนี่ยเวลาตายแล้วจิตไม่เศร้าหมองมีสุขติเป็นอันหวังได้เนี่ย ก็หมายถึงบุคคลที่เจริญพรหมวิหารเป็นประจำตายไปแล้วจะไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนหลงนะตายก็เหมือนคนนอนหลับมีสติสมัชัญญาไปเกิดในสุคติภูมิได้ไม่ยากแล้วเนี่ยจะไม่ไปอบายภูมิต่างจากคนที่ไม่ฝึกในการเจริญพรหมวิหารนะเป็นคนขี้โกรธโกรธจัดในส่วนจริงก็เจ็บปวดนะเวลาเกิดโรคภยัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนขึ้นมาโอ้โหเรียบร้อยเลยตายแล้วไปทุกขติ อุตริงอภิวิชชันตบรมาดูกุปโคโหติเมื่อยังไม่แทงตลอดธรรมัสชั้นสูงก็เข้าถึงความในพรหมโลกแล้วนี่แปลว่าถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็นั่นแหละอันอนุภาพแห่งชาญใดาชาญหนึ่งที่ตนเองบรรลุนี่แหละมีเมตตาเป็นต้นเหล่านี้ได้สมาบัติจากเมตตากรุณาหรือมุทิตาเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเข้าถึงความในพรหมโลกเลยนี่เนี่ยดังที่ได้กล่าวมา น, นี้เป็นอนิสงส์นะ อันที่สอ์ในการที่กล่าวเขาไว้ในคำพิวิธสืิมมักทีนี้คุณค่าประโยชน์ของทางจริยธรรมในระดับสังคมจริยธรรมคือธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกฎศีลธรรมบอกว่าจริยธรรมหมายถึงหลักความประพฤติหรือหลักดา้ดานดำเนินชีวิตหลักรองชีวิตหลักรองชีวิตที่ถูกต้องสมบูรณ์ของมนุษย์ที่จะนาไปสู่ จุดหมายคือความดับทุกข์และการสิ้นปัญหาอย่างเป็นอิสระไร้ทุกข์ได้นี่นหรือจริยธรรมหมายถึงความประพฤติที่เป็นรูปแบบการดำเนินตนให้เหมาะสมแก่ภาวะกาลเทศะและเหตุการณ์เป็นต้นทีนี้ให้สังเกตยนบุคคลที่เจริญพรหมวิหารเนี่ยได้จนชัดเจนแล้วเนี่ยเวลาเรื่องกุศลศีลเนี่ยจะขับเน้นได้จากพรหมวิหารนี่นะ ไม่ว่าจะเป็นการเว้นจากการฆ่าเว้นจากการประทุษรลายเว้นจากการรักเว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มของมึนเมาทั้งหลายเหล่านี้บุคคลที่จะสามารถเจริญหรือว่ารักษากุศลศีลได้ดีก็คือต้องมีเมตตานี่แหละมีกรุณานี่แหละมีมุทิตาเป็นต้นเหล่านี้มีการวางใจเป็นกลางที่ถูกต้องนี่แหละถึงจะสามารถเจริญเข้าถึงหลักพรหมวิหารเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องพอจะมองออกใช่ไหมดงั้นตรงนี้ก็คือ วันนี้ก็ได้พูดถึงในเรื่องของตัวพรหมวิหารให้เราได้เข้าใจได้ชัดขึ้นได้พูดถึงอนิสง์พูดถึงว่าการที่เราได้เจริญเมตตากรุณามุติตา แ, าและเบกขาอะไรเนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่าเมื่อฝึกให้เกิดให้มีขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการฝึกการเจริญให้เกิดขึ้ น, นจะทำอย่างไร เมื่อได้เรียนรู้ได้เกิดความเข้าใจแล้วก็มันในการที่จะไปฝึกฝนอบรมพัฒนาให้มีให้เกิดขึ้นให้ได้จริงๆถ้าทำให้เกิดขึ้นได้แล้วทีนี้เป็นประโยชน์อย่างมากมายเลยมีใครจะถามอะไรไหมมีไหมอันนี้ถือว่าสมบูรณ์หรือยังเนี่ยมีอะไรที่จะต้องออพิจารณาไหมมีอะไรจะสรุปไหมในประเด็ น, นมีไหม มไม่เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเป็นความปรารถนาดีคิดช่วยเหลือคนขวายเพื่อประโยชน์สุขนะเมตตาเป็นความรักความปรารถนาดีเป็นเมตรีกรุณาก็สงสารคิดจะช่วยคนอื่นเพราะอยากความทุกข์ไหมต้องการปลดเปลื้องส่วนมุทิตาก็เบิกเบิกบานพรอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสุขในสถานการณ์ที่1ก็คือคนใดคนหนึ่งเขามีความอยู่เป็นปกติ ใช่ในยามปกติใช่ั้ยก็คือเจริญเมตตาสถานการที่สองผิดปกติขาแย่ลงก็เจริญกรุณนาในสถานการ์ที่3ก็คือผิดปกติเหมือนกันขาขึ้นก็เจริญมุทิตาปราการที่4ในภาวะที่ต้องรักษาอะไรรักษาหลักการรักษาธรรมารักษากฎเกณฑ์กติกายิ่งเป็นลักษณะคอยมองดูเมื่อเขาไม่ ไม่เข้าไปก้าวกายแทรกแซงกฎหมายกฎระเบียบกติกาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็วางใจเป็นกลางนี่เป็นต้นไอ้ตรงนี้ก็ฝึกไปทำให้มีให้เกิดขึ้นสุดกก็คือว่าเมตตากรุณามุ้ทิตาเนี่ยมีรักษาคนแต่อุเบขานี่รักษาธรรมะใช่ไหมตัวเมตตากรุณามุ้ทิตานี่รักษาคนไหมเป็นธรรมะที่รักษาคนแต่อุเบขารักษาอะไรรักษาธรรมคือถ้าทําให้เสียหลัก ก็คือถ้าจะทําให้เสียหลักการเสียความเป็นธรรมต้องหยุดกฎต้องเป็นกฎความวางเฉยต่อสิ่งนั้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ละเมิดเพื่อไม่ก้าวไายไม่แทรกแซงธรรมะธรรมะจะออกผลอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นช่วยเฉพาะในขอบเขตที่ไม่ละเมิดธรรมไม่ละเมิดกฎเกณฑ์กติกาฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นตัวคุมเป็นตัวการรักษาดุลเลยนะให้การช่วยเหลือกันไม่เลยขอบเขตจนเสียธรรมะเนี่ย ในกรณีที่สัมพันธ์กันระหว่างบุคคลเนี่ยก็ส่งผลกระทบเสียหายต่อหลักการในความของธรรมะเราก็ต้องหยุดเช่นเราจะสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลใช่ไหมเราจะเมตตากันได้กรุณากันได้มุทิตากันได้ในขอบเขตที่จะไม่ให้เสียหลักการเข้าใจนะแต่ถ้ามันจะเลยขอบเขตหลักการนั้นๆขึ้นมาปุ๊บต้องวางใจเป็นกลางต้องเอาธรรมะที่เป็นอุเบกขามาดุลไว้มองออกไหม เช่นในขณะที่เรารักปราธนาดีมีสา ม, มัะเนรไสา ม, มัะเนรไปเกิดล่วงละเมิดกฎติกาของพระเจ้าขึ้นมาต้องลงนธนกรรมแล้วสมัยใช่ไหมบอกก็อย่าไปลงนธนกรรมเลยการุณ น, นะเ <c oughs> มื่อคืนก็นอนไม่หลับ <c oughs> ได้ไหมเสียอะไร เ, เสียหลักการเสียธรรมะ อันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาหลักการนี้ไว้ ก, กฎกติกานีไน้ไว้กฎเกณฑ์นี้ไว้เอ้าต้องลงนธนธกรรมแต่ลงธนกรรมด้วยความสะใจใช่ไหมไม่ใช่เพื่อจะรักษาอะไรรักษาธรรมะรักษาหลักการนี้ไว้โอ้โหเนี่ยนเะนี่ยตรงนี้แหละเกิดคือในกรณีที่เรามีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล น, นี่แหละ มันส่งผลกระทบเสียหายต่อหลักการแห่งความเป็นแห่งธรรมะเนี่ยเราก็ต้องหยุดหยุดข้อที่1ไว้หยุดข้อที่2ไว้หยุดข้อที่3ามไว้หยุดเมตตากรุณามุทิตาไว้แล้วย้ายไปข้อที่4คือูเบีขาเพื่อให้เขารับผิดชอบต่อความเป็นจริงต่อตัวธรรมะต่อหลักการและกฎเกณฑ์กติกานั้นๆอีกด้านหนึ่งชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่เป็นไปกรรมตามกฎธรรมชาติคือคือต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเช่น ภาวะที่คนทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเก็บแล้วก็ต้องตายใช่ไหมในด้านนี้คนจะต้องมีปัญญาไหมเราก็จะต้องมีปัญญารู้จักรับผิดชอบตัวเองที่จะดำเนินชีวิตให้ดีงามถูกต้องเลยดีงามเป็นต้นด้วยจะรอให้คนอื่นมาช่วยไม่ได้ชีวิตของเราอยู่กับความเป็นจริงของโลกแม้แต่ร่างกายของเราก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยตามกฎธรรมดาธรรมชาติใช่เป็นไปตามกฎธรรมชาติซึ่งไม่ฟังใครทั้งสิน้น นี่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้และเข้าใจและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องให้สอดคล้องทางด้านนี้เมื่อมีการรู้ตามความเป็นจริงเช่นนี้ปุ๊บก็จะสามารถวางอะไรได้วางอุเบกขาคือความวางเฉยได้ในเมื่อเห็นผู้อื่นหรือแม้แต่ตนเองต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายมนุษย์ทุกคนจะเป็นต้องใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยเพื่อให้ทุกเพื่อให้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อน ในขณะที่ความจริงของโลกมันปรากฏเกิดขึ้นให้เราเห็นพอมองเห็นได้ยังสรุปผลที่เกิดจากการระบบบูรณาการและการเจริญเป็นระบบในพรหมวิหารทั้ง4เมตตากรุณามุมตตาเวกขาการที่ประชาชนในสังคมมีน้ำใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแสดงความพอยินดีต่อความสำเร็จของกันและกรรันด้วยอำนาจถึงเมตตากรุณามตตาเป็นเหตุให้สังคมรักไถ่สามัคคีบองดองกันไห และในอีกด้านหนึ่งประชาชนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบกติกาของสังคมที่บัญญัติขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนในสังคมก็ย่อมแสดงออกโดยเมตตากรุณาผู้ดตาหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างมีขอบเขตโดยไม่ผิดกฎหมายหากเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายก็ต้องหยุดเพื่อรักษาซึ่งกฎหมายเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมของสังคมเมื่อเป็นเช่นนี้สังคมก็จะมีความรักความปรองดองกันดีและยังความสามารถรักษาความยุติธรรมและหลักการไว้ได้ เนี่ยถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ชัดเลยนะก็ทำให้เราเข้าใจหลักการในทางพุทธศาสนาให้ชัดยิ่งขึ้นทีนี้ว่าอีกด้านหนึ่งเมื่อเรามีพรหมวิหารละธรรมเนี่ยสิ่งที่ต้องจะแสดงออกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในด้านของ เวลาปฏิบัติการออกมาภาพปฏิบัติการออกมาเนี่ยก็เรียกสังขาวัตถุทําเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเนี่ประสานหมู่ชนไว้สามัคคีกันไอ้ตรงนั้นก็ยังไม่ขยายเราวันนี้ก็คือทานการแบ่งปันช่วยเหลือเกื่อกลกันปิยาวาจารพูดจาอ่อนหวานประสานสามัคคีให้ถูกกาลาเทศะอัตจริยาก็คือประพจฤษเป็นประโยชน์มาเป็นสาธรารณประโยชน์เป็นต้นสมานัตตาก็วางตนเสมอตนเสมอไปเนี่ย นี่เป็นหลักการที่พึงปฏิบัติต่อกันให้สังเกตดูนะว่าไอตัวเมตตากรุณามุทิตาเลวเบคขาเนี่ยมาจากอะไรมาจากสัมมาสังกัปปะใช่ไหมคือการคิดความคิดในเนคขมมะคิดออกจากกามคิดให้คิดสละ ความคิดในการไม่พยาบาทก็คือคิดที่เป็นเมตตาคิดเป็นกรุณาทั้งหลายเหล่านี้นั้นความคิดที่ไม่พยาบาทเนี่เป็นเมตตาด้วยเป็นกรุณาด้วยความคิดที่ไม่เบียดเบียนเป็นมุทิตาด้วยและความคิดที่เป็นการออกจากกรามทั้งหลายเหล่านี้ขับเน้นไปเที่อุเอเบขาด้วยเมตตากรุณามุทิตาเบขาเวลาขับเคลื่อนออกมาก็ขับเคลื่อนออกมาเป็นทานปิยาวาจาทัาจเรยาสมาณะตตา การพูดออกมาก็เป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมากัมมันตะการประกอบอาชีพใดๆออกมาก็กลายเป็นสัมมาชีวะไปเนี่ยไอตัวคุณธรรมทั้งหลายตัวเนี้ยมันจะยึดยองกันหมดเลยแต่ถ้าเราเข้าใจนี่เนี่ยก็สามารถนํามาปฏิบัติเป็นชุดที่จะสามารถประสานสืบต่อและก็สามารถเป็นการปฏิบัติธรรมะองค์รวมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเอาแล้นี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วนีไม่ถามก็ขอจบเพียงเท่านี้